การกลับมาคบสนิทเหมือนเดิมไม่ใช่มาดวัดการอภัยจริงหลายคนฝึกอภัยเพราะรู้ว่าการอภัยคือกุญแจไขประตูห้องขังเมื่อปลดปล่อยตัวเองได้ก็เป็นสุขเองได้แต่เมื่อฝึกอภัยก็มีข้อน่าสงสัยอยู่หลายข้อเช่นแม้ปลงใจอภัยแล้วตกลงกับตัวเองว่าจะเลิกเจ็บใจแล้วตั้งใจจะไม่เอาเรื่องอีกแล้ว แต่เจอหน้าก็ยังรู้สึกไม่ดีไม่อยากไล่ไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากมองไม่รู้สึกสนิทด้วยเหมือนเดิมจึงหน้ากังขา ว, ว่าอย่างนั้นพูดได้เต็มปากไม่ว่าอภัยจริงการกลับมาคบสนิทเหมือนเดิมไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของการอภัยจริงแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็แนะว่าคนพาลอย่าคบหรือแม้เขาไม่ได้เป็นพาลแต่คบกันแล้ว มีแต่เกิดอกุศลทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นก็ให้พึงหลีกเลี่ยงเสียดีกว่ามาดวัดกานภัยจริงอยู่ที่ใจดูที่ใจตัวเองว่าสามารถวางทุกคนที่มีเรื่องด้วยยังมีความสุขความพอใจที่จะวางหรือไม่จะมีความสุขจริงก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้แกล้งมีความสุขและเมตตา ก็คือความสุขทางใจชนิดหนึ่งฉะนั้นจะวัดว่ามีเมตตาจริงก็ต้องรู้ว่าเมตตาโดยไม่ได้แกล่งกล่าวคือใจพร้อมจะไม่เบียดเบียนเพราะเป็นสุขอยู่กับความสะอาดของศีลใจพร้อมจะไม่เอาเรื่องเพราะเป็นสุขอยู่กับการไม่ถือสาหาความวิธีมีเมตตาจริงตามแบบพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ฝึกคนเดียวและเกิดเมตตากันง่ายๆแต่ต้องใช้เวลากันตลอดชีวิตที่เหลือค่อยๆพิจารณาค่อยๆสำรวจเข้ามาที่ใจตนเห็นให้ได้ว่าพยาบาทแล้วเป็นทุกข์เห็นกันเป็นเดือนเป็นปีจนรู้ซึงว่าพยาบาทเป็นโรคทางจิตหายพยาบาทก็คือหายจากโรคทางจิตเมื่อโรคทางจิตหายไปความป่วยไข้ตะครันตะกรอทางวิ ญ, ญญาณก็หายตาม เกิดความสุขความโล่งความเบาขึ้นมาแทนเมื่อสุขแล้วก็จดจ่ออยู่กับความสุขนั้นเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนถึงจุดอิ่มตัวจึงรู้สึกถึงความกว้างขวางไม่มีประมาณของความสุขเกิดสมาธิเกิดสุขล้ำอันได้แก่การเลิกผูกพยาบาทยิ่งสุขชนิดนี้เกิดบ่อยขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเมตตาเป็นปกติขึ้นเท่านั้นนั่นแหละ หล่งที่มาของความพร้อมอภัยจริงสร้างเขตปลอดภัยปลอดเวรขึ้นจริงในตนแล้ว